ว่าใ น, นผมในนัดประชมุมหมู่คณะถ้าหากว่าเราประชมุม8ดคำสิบห้าคำเราจะพูดระเบียบวินัยของพระในที่สาธารณะหรือคณะศรัทธาญาติโยมผู้ที่ไม่ได้บวชฟังด้วยก็พูดไดในระดับหนึ่งเพื่อเป็นการศึกษา แต่ถ้าว่าพูดในรายละเอียดการเป็นอยู่ของพระจริงๆก็ไม่ควรจะพูดในที่สาธารณะเช่นนั้นเพราะนั้นบางครั้งเราจะได้ไประชุมหารือกันในหมู่ในคณะเป็นส่วนพระสงฆ์โดยเฉพาะเพื่อจะได้พูดเกี่ยวกับฟินน์ใน เพราะว่าพวกเราเข้ามาบวชทั้งพระใหม่พระเก่าถึงจะเป็นพระเก่าถ้าว่าไม่ใส่ใจในวินัยไม่ได้ใส่ใจในการอ่านถึงจะเก่าก็เก่าไปอย่างนั้นน่ะเก่ากึกไม่ใช่เก่าเต็มไปด้วยความรอบคอบเพราะเหตุไรเพราะไม่สนใจในการอ่านพระวินัยนี่ ที่จะรู้เชี่ยวชาญได้แตกสารได้ต้องอาศัยการอ่านการศึกษาอย่างกฎหมายบ้านเมืองเขาก็เหมือนกันต้องอาศัยความจําการท่องรัชการจําอีกแล้วก็การวิเคราะห์ในกฎหมายอีกผู้ที่จะชำนิชํานาญในกฎหมายนี้ก็เหมือนกันพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าจะไปรู้เอาเสียเลยถึงจะเป็น227 ศีลสินเ2 7ก็เถอะแต่อันนี้คือศีลมาในพระปฏิโมกข์ศีลอภิสมาจารย์มากกว่านั้นเพราะนั้นพวกเราที่ไม่ได้สนใจในเมื่อทำผิดวินัยหรือทำไม่ถูกต้องก็ไม่เป็นที่สบายใจสำหรับในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเพราะว่าทำ ออกไปแล้วทำให้เสียหายเพราะนั้นถึงพวกท่านทั้งหลายไม่ได้เรียนรู้หรือไม่ได้ศึกษาในพระวินัยผมที่เป็นหัวหน้าก็ต้องพยายามยัดเยียดหรือว่าบอกกล่าวว่าอันนั้นผิดนะอันนั้นไม่ควรทำนะให้ฟังกันนะให้ศึกษานะอย่าไปเอาตัวเองเข้าไป ทำโดยที่ไม่ฟังเสียงใครไม่ได้นะเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะหลักธรรมคือหลักธรรมวินัยคือวินัยถ้าทําผิดแล้วไม่ว่าหัวหน้าไม่ว่าปลายแถวผิดด้วยการทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราต้องศึกษาต้องถามไทยซึ่งกันและกันถ้าว่าถามไทยซึ่งกันและกันไม่เป็นที่ลงตัวก็ต้องเอาพระไตรปิฎก เกี่ยวกับอธิบายในเรื่องนี้มาอ่านในที่ประชุมว่าจุดมุ่งหมายของพุทธบัญญัติหรือว่าพระวินัยจุดนี้ท่านมีจุดมุ่งหมายอะไรพวกเราก็ต้องมาอ่านแล้วก็มาวิเคราะห์ในศีลและวินยัยอันนี้แปลว่าผู้ใฝ่ในการศึกษาถ้าหากว่าทําผิดแล้วก็แล้วไปคนนั่นกระทาผิดคนนี้ก็ทําผิดผลที่สุดพระในวัดก็เลย คนนั่นกัผิดศีลคนนี้กับผิดศีลอย่างนี้ไม่เป็นผลดีในการดำรงทรงพระศาสนาในการดำรงของพระสงฆ์เพราะนั้นผิดวินยัยนั้นตรงไหนอย่างไรอันนี้ต้องช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันศึกษาช่วยกันประพฤติปฏิบัติถ้าคนใดได้อ่านได้ศึกษาดูแล้ว มีข้อข้องใจสงสัยตรงไหนอย่างไรเก่าวมาถามไทยที่มีอายุพรรษามากกว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตามมีอายุพรรษามากแต่พูดให้ฟังแล้วไม่ใส่ใจก็แสดงว่าพระที่มีอายุพรรษานั้นไม่ครบในวิถีไหนเป็นผู้ไม่มีสิ่งก็เป็นการบอกยี่ห้อองตนเองเลยลดคุณภาพในตัวเองเพราะนั้น พวินัยจุดนี้ไม่เรียกว่าผู้น้อยไม่เรียกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นตรงช่วยกันศึกษาในาวินัยของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตมีหกอย่างอาการที่ภิกษุจะต้องอาบัตมีหกอย่างคือต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนึ่ง ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าสมควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยสาคัญว่าไม่ใช่สมควรในของที่ไม่ควรหนึ่งและอันจุดท้ายก็ว่าต้องด้วยลืมสติหนึ่งการลืมสตินี่ก็เป็นอบัตเหมือนกันสงสัยแล้วขืนทำลงอันนี้เราเห็นว่าเป็นอบัตหรือไม่เป็นอบัตจุดนี้แต่เรา กลับมาเรามาฉันนะแต่เราสงสัยอันนี้เป็นอบัตทุกกฎเพราะอะไรสงสัยแล้วขืนทาลงหนึ่งเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามถ้าเราสงสัยอย่าทำจุดนั้นเอาไว้ก่อนต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนเมื่อทำความเข้าใจกันแล้วยังค่อยทาเพราะหายสงสัยแล้วสมมติว่าอย่างเราได้อาหารมา พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ฉันเนื้อม้าหรือหมาถ้าฉันเข้าไปปรับอบัติทุกฎแต่ไม่ตัวนั้นไม่ใช่เนื้อม้าเนื้อหมาเป็นแต่เป็นเนื้อวัวแต่ฉันได้เป็นเนื้อวัวชัดได้แต่เรามาคิดชุกใจขึ้นมาออันนี้เป็นเนื้อม้าหรือเปล่าพราะเป็นลักษณะนี้เหมือนกับเนื้อม้านั่แต่เราก็ฉันเนื้อนั้นปรับอบัติทุกฎทั้งที่เป็นเนื้อวัวเพราะเหตุไรเพราะสงสัยแล้วขืนทําลงหนึ่ง ศีลพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะศึกษาควรที่จะใส่ใจควรที่จะศึกษาเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งที่ในไม่มีในพระวินยัยมีมากเรื่องการฉันปารนะก็เหมือนกันในโรงครัวถ้ามีความห้องใจสงสัยตรงไหนตรงไหนให้ถามกันให้ศึกษาให้ถามกัน อย่าไปทำโดยที่ว่าอยากจะทำก็ทำเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่ลิ้นเห็นแก่อยากเห็นแก่แกรถอย่างนั้นใช้ไม่ได้ไม่ใช่ผู้เข้ามาเพื่อฝึกหัดดัดนิสัยไม่ใช่ผู้เข้ามาเพื่อขัดเกลากิเลสเข้ามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหากินเพื่อความอร่อยอร่อยเพื่อบารุงร่างกาย ถึงจะบำรุงขนาดไหนก็เถอะร่างกายในอย่างที่ผมพูดให้ฟังถึงจะเลี้ยงอิม่มมีพีมันขนาดไหนก็เถอะร่างกายนี้ยังเป็นอื่นอยู่เสมอเพราะฉนั้นขอให้พวกเราให้มันถูกตามตามหลักพระธรรมวินัยให้อา่านซะก่อนภาษาที่เขาเขียนไว้ส่วนประกอบนั้นคืออะไรในที่เราจะฉันนี่มมีอะไรบ้างเพราะเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่า เอาของเข้ามาหาผมบางครั้งผมก็ไม่ได้คิดเพราะพวกท่านทั้งหลายเอาขึ้นยื่นขึ้นมาเลยผมก็ได้อ่านเอาทําไมพวกท่านทั้งหลายเป็นพระใหม่แทๆ้ๆเป็นพระศึกษาในรุ่นใหม่น่าจะอ่านน่าจะเข้าใจซะก่อนจึงเอายื่นขึ้นมาอันนี้จะมาให้ผมวิเคราะห์เลยทีเดียวมันทํำยังไงบางทีผมก็วิเคราะห์ผมสงสยัยผมก็ต้องอ่านบางทีก็ต้องหาคนอ่านมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสรุปแล้วก็คือ พวกท่านทั้งหลายอยู่ใกล้ผมน่ยขาดความรอบครอบผมตาหนิอย่างนั้นได้ใจให้ผมรู้ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษอีกต่างหากเพราะนั้นก็ต้องหาผู้ที่รู้ในวัดของเรามีตั้งเยอะแยะไปคำบอกเม้นคือนมพระฉันไม่ได้แล้วผสมอะไรผสมเม้นคือนมนมในฉันไม่ได้อันนี้คือพระวิทยในบอกบ่งอย่างนั้นแล้วก็สิ่งอื่นล่ะ ครีมมอะไรคำว่าครีมนั้นมันเป็นครีมนมสดหรือครีมอะไรผสรอมอะไ ร, ร, ะ ส, ะไรสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้หมู่พเพื่อนอ่านให้เข้าใจซะก่อนจึงฉันไม่ใช่ว่ามัวเมีย ม, มาแล้วเห็นอะไรอร่อยก็ฉันไปหมดถ้าเราอยากจะมาบวชเพื่อความอร่อยอยังมาบวชเพื่ออะไรเรามาบวชทำไมเราต้องการอยากจะฉันอย่างนั้นหวังอะไรเขามาบวชล่ะเรามาทำร้ายพระธรรมในอย่างนั้นใช่ไหม เรามาส่งเสริมเรอมาเชิดชูบูชาหลักพระธรรมวินัยสิ่งเหล่านี้ให้ถามตนเองอันนี้ผมไม่ได้ประนามนะการประนามคือประนามความไม่รอบคอบของพวกท่านทั้งหลายความไม่ใส่ใจของพวกท่านทั้งหลายผมประนามจุดนั้นประนามที่ว่าเราบวชเข้ามาเพื่อเชิดชูบูชาหลักพระธรรมวินัยแต่เรากลับมาบวชแล้วก็ไม่ครบหลักพระธรรมวินัยอันนี้ผมตาหนิจุดนั้น จุดบวดเข้ามาแล้วไม่เคารพหลักพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้เป็นยกเป็นประเด็นหลักในการอยู่การฉันกาลิกสีมีอะไรบ้างจั ต, ตหกาลิกยาวากาลิกยามกาลิกสั ต, ตหกาลิกยาวาชีวิตแล้วก็กาลิกละคนกันแต่พูดอย่างนี้พวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่เข้าใจเพราะไม่ได้ เรียนไม่ได้ศึกษาแต่ถึงยังไงเป็นหน้าที่ของใครจะเป็นผู้ศึกษาพวกท่านทั้งหลายควรจะรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าเวลาจะฉันอะไรต้องเรียนรู้ต้องบอกกล่าวกันไม่ใช่ว่าพระเก่าเป็นผู้พาทำเชยเองิงเองดื้อด้านเสเองเห็นที่อื่นเขาฉันก็ฉันไปมันไม่ถูกนะในวัดของเราถ้าเราผมหม่ามายาฉันได้พวกท่านต้องอยู่ ถ้าว่าพวกท่านอยากจะฉันต้องออกจากวัดผมไปฉันในวัดนั้นอย่าฉันในวัดผมเพราะผมห้ามแล้วผมห้ามผมมีเหตุผมผมเองก็ไม่ฉันในเรื่องนั้นแต่พวกท่านทำไมดื้อด้านมาฉันแต่เมื่อดื้อด้านมาฉันมันผิดมันผิดกฎระเบียบของผมที่ผมไม่ให้ฉันถ้าพวกท่านอยากจะฉันให้ออกจากวัดนี้ไปฉันวัดที่ที่เขาอนุญาตให้ฉันมีตั้งเยอะะไปไม่ควรจะมาอยู่ ท้ามาอยู่ก็จะแสดงมาเหยียบย่ําทําลายแนวความคิดที่ผมแนะนําสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนนี่แหละให้พวกท่าน้งหลายท่านทั้งหลายคิดนะในจุดนี้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาบวชเข้ามาผมมั่นใจพอพวกท่านไม่ได้มาเพื่อหาอยู่หากินเลียงปากเลียงท้องตอนนั้นมาเพื่อหาหวังอัดหวังทำนี่แหละอันนี้ก็คือหลักพระวินัย น, นะพวกท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายทุกอง ให้มุ่งมั่นในหลักพระธรรมพินัยเพราะนั้นพวกเราต้องมุ่งมั่นต้องศึกษาต้องใส่ใจถ้าพวกเราเป็นผู้มุ่งมั่นศึกษาในหลักพระธรรมินัยแล้วพวกเราจะมีคุณค่าในตัวเองในตัวของพวกเราเองไปอยู่นสถานที่ใดก็เป็นผู้ทรงคุณค่าเหมือนกับเพชรนินจินดานมีคุณค่าในตัวของของ ของเพชนินจินดาเองไม่ต้องหาสิ่งไหนมาเพิ่มเติมอีกเพราะคุณค่าเกิดกับการทรงตัวของมันดรื ว, ว่าประสิทธิภาพของมันเองนี้ก็เหมือนกันขอให้พวกเราท่านทั้งหลายดำรงทรงศาสนาด้วยความตั้งอกตั้งใจศึกษาจากนั้นก็นพึ่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาแล้วก็ ดูหลักพระธรรมวินัยทำคำําสอนของพระพุทธเจ้าอีกถึงทำคำําสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นหลักถึงอยู่กับครูบาอาจารย์อันนี้ก็ต้องรักษากฎกระเบียบที่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ทำยังไงแต่ท่านไม่ทําผิดหลักปักพระธรรมวินัยหรอกแต่ว่าท่านจะตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาเออเวลานั้นทำํำ น, นั้นเวลานี้ทําอันนี้เวลานั้นชั้นอนั้นชั้นอันนี้นนนนได้เข้ามารวมกลุ่มกัน่ อันนี้ก็คือกฎกระเบียบการเป็นอยู่แต่ว่าอันไหนที่เป็นหลักจริงๆคือหลักพระวินัย น, นั้นอันนั้นพวกเราข้ามกลายไม่ได้เด็ดขาดจุดนั้นในพระวินัยของพระพุทธเจ้าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระศาสนายังอยู่ตราบนั้นพระพุทธศาสนายังอยู่ตราบนั้น ถ้าหลักพระธรรมวินัยยังอยู่ยังคงเส้นคงวาอยู่แต่ถ้าหลักพระธรรมวินัยหมดไปเมื่อไหร่พราะพุทธศาสนาก็หมดเพราะเหอะไรเพราะศีลและวินัยแต่าม่ได้ว่าอย่างอื่นศีลและวินัยคือกฎระเบียบยังมีอยู่ตราบใดและธทำอย่างอื่นก็จะศึกษาไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าว่าวินัยหรือศีลเนี่ยขาดตกบกพร่องไปแล้วไม่มีศีลแล้วพราะพุทธศาสนาก็หมดความหมาย พไรพวกเราคิดดูง่ายๆก็แล้วกันถ้าพระไม่มีศีลก็คืออะไรหนุ่งกลางเกงหมดสะกไม่โป่งผมสะกละคนไม่เคารพในศีลทวินยัยปาลาชิกศีทั้งคาที่เสพ1ามอันยศสองนี่จะ ก, กิยาปาจิตี30สิบปาจิตีเก้าสิบสองไม่มีในยุคใดสมัยใดพวกเราคิดดูกันแล้วกันพุทธศาสนาจะเป็นยังไงหมดพูด้ไดคำเดียวหมดแต่นี่ถ้ามาพวกเรายัง รักษาพวินัยคงเส้นคงหวานเหนียวแน่นอยู่ปาริชิกสีพวกเราก็รักษาสังฆาทิเศษสิสามเราก็รักษาอนยศสองเราก็รักษานิจกียาปาจิตีสาปลาจิตีเกปฏิเทชนิยะสี่เสีกิยวัตเจ็ 45, อธิกรณะสมมัติเจ็เรารักษาศินสองี่สิบข้อบริบูรณ์อยู่นี่แหละอันนี้คือใครมาเห็นก็หนึง่งเออเป็นเอกรักษณ์ไมเป็นสัญลักษณ์ยูนิฟอร์มนี่คือของพระสงฆ์ พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นฝ่ายเทระวาดปฏิบัติตนอย่างนี้อันนี้พระพุทธศาสนาถ้าจะเป็นกี่หมื่นปีถ้ามีพระรักษาอยู่อย่างนี้อย่างพวกเรารักษาพระพุทธศาสนาก็ยาวนานถึงขนาดนั้นแหละเพราะนั้นพระพุทธองค์ที่ตรัสว่าศีลและวิในยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตยังอยู่ตราบนั้นอันนี้พระพุทธองค์พูดถูกถูกมาก เพรั้นขอให้พวกเราเคารพในหลักพระธรรมวินัยบวชเข้ามาทั้งทีให้เคารพในศีลในวินัยถึงอย่างไงอย่างไงกันนี่เป็นอย่างนี้อย่างพวกวันนี้นะถ้าพวกเราศึกออกไปเป็นฆราวาสเราก็ภูมิใจว่าเราในอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดเมื่อเราได้บวชแต่ถ้าเมื่อเราไม่ได้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยทําตามอําเภอใจทําตามอัธาใจหมู่พวกเพื่อนทําอะไร ที่พระกัลเวเลกวราศพาทำยังไงเราก็ทําตามอย่างที่พระกัลเวเลกวราศพาธรำพวกเราอย่าอย่าคิดเลยว่าจะภาคภูมิใจนะออกไปแล้วก็เอ๊ะทาไมออกไปเระเราต้องตําหนิพระที่พาธทำนั่นอีกพระออกนอกรูนอกฐานนั่นตัวเองก็ไม่ภาคภูมิใจอีกไงพระองค์นั้นก็ไปเจอกันที่ไหนโอ้ยพระองค์นี่เป็นพระทุศิลสมัยรุ่งเมื่อเราอยู่ไม่เคารพในพระธรรมวินัยเลย ไม่น่ากราบพระองค์นี้เผลอยังบอกให้หมูพวกเพื่อนนีอย่าไปคบค้าสมาคมเลพระองค์นี้เป็นพระไม่มีสิ่มันไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาเพราะเหตุไรเพราะมันไปจากพระเก่าดีพาพระใหม่ผู้ที่เขามาศึกษาแต่ถ้าว่าองค์ไหนเป็นพระเก่าบวชมานานจากนั้นก็แนะนำเคร่งครัดในหลักพระธรรมวิ น, นัยทำตัวอย่างให้เขาเห็น อันนี้ผิดนะอันนี้ไม่ถูกนะอันนี้คือพระพินัยนะเขาไปเห็นนักจารถนที่ใดเขาก็ยกมือไหว้โอ้ท่านองค์นี้สมัยเราเมื่อบวชเข้ามาท่านเคร่งในวินัยนะท่านเอาจริงเอาจังนะไปที่ไหนเขาก็หมอบกาบคานเข้ามากราบเพราะเหตุอะไรเพราะเราเป็นผู้รักษาศีลบริสุทธิ์เป็นตัวอย่างที่ดีของเขานี่ ให้พวกท่านทั้งหลายคิดให้ดีกันแล้วกันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นไม่เป็นไปอย่างที่ผมเป็นอย่างผมหรือเหมือนกันผมอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์บางองค์พระบวทใหม่ที่มีบุญหนักสักใหญ่แล้วก็อารมณ์ไม่ค่อยใจอยอีกต่างหากบางทีก็วางหมาดให้แก็บพระบางทีท่านก็กลัวไม่กล้าพูดเวลาจะทำอะไร ท่านก็ทำเพราะท่านไม่รู้บางทีวางบาดไว้กับพื้นบ้างบเวลาเช็ดบาดวางวางบาดไว้กับปูนซีมเมนบ้างแต่พระวินัยมันไม่ได้ถ้าวางบาดไปอย่างนั้นปรับอบัติทุกกฎวางวางบาดไป้ีนที่ของแข็งจะเก็บไปอย่างไงจะรักษาอย่างไงจะล้างบาดไปทิ้งไว้อย่างไงวางบาดไว้กับพื้นนีน่พระวินัยไม่ได้เป็นปรับอวบัติทุกกฎเก็บพระใหม่แต่ไม่มีใครกล้าพูดก็มอกบอกผมครูบากรูบ า, บาไปพอ บอกพระใหม่ด้วยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นเอาทำไมพวกท่านทั้งหลายไม่บอกโอ้ยผมไม่กล้าบอกกล้าไม่จริงเพราะวินัยเราเป็นพระเก่าเราเห็นรู้ว่านันไหนที่มันผิดเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาเพราะเขาเข้ามาเพื่อการศึกษาแต่นี้ผมเลยบอกเอยท่านถ้าท่านทํายังไม่ได้นะ น, นี่คือพระวินัยนะมันผิดวินัยเวลาจะวางบาตรเนี่ยต้องหาที่รองซะก่อนนะจึงวางถ้าวางกับพื้นนี้ไม่ได้ปรับเอาบททุกกฎอันนี้คือพระวินัยนะอันนี้คือศีลของพระนะ ข้อหนึ่งในศีลของพระเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาท่านเข้ามาต้องปฏิบัติในศีลและวินัยของพระนะเท่านั้นเขายกมือทั่วหัวนะอู้ผมไม่รู้กับท่านอาจารย์ผมขออภัยเออนะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ขออภัยผมนะอันนี้คือหลักพระธรรมวินยัยต้องพูดให้กันรับรู้รับทราบอันนี้คือพระวินยัยเราไม่ได้พูดด้วยความอารมณ์โมโหโกธาไม่ใช่ว่าเอา้าท่านทําไม่ถูก หลักพระธรรมวินัยไม่ใช่ของเราเราจะไปขู่ตวาดใส่เขาอย่างนั้นมันไม่ถูกเราคือหลักพระธรรมวินัยคือของพระพทุทธเจ้าเราต้องไปแนะนำเชืิดชูช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยเราไม่ใช่ว่ า, วาจะวางหมกกัดว่าข้ารู้แล้วจะไปด่าดคนอื่นน่ะไม่ใช่ไม่ถูกผลให้สุดเขาก่อนก่อนที่เขาจะปฏิบัติได้เขาก็ใช้อารมณ์ตอบโต้กันพอแรงเพอเพอจะวางวางหมัดวางมวยกันอีกต่างหา อันนี้พวกพระเก่าก็ควรจะมีน้ำใจหรือว่าก่อนที่จะแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวมูกพวกเพื่อนพระใหม่ก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าอันนี้ไม่ใช่พระวินัยของเรานะไม่ใช่กฎระเบียบของเรานะเป็นกฎระเบียบของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้อย่างนี้เราก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แต่องค์อื่นเข้ามาเราก็ต้องแนะนําสั่งสอนเมื่อเขาไม่รู้ แนะนำถ้าเขาบอกไม่ฟังฮเมื่อบอกบอกแล้วไม่ฟังก็ไม่สนใจเขาไม่ฟังก็ายัางดันทุรังอยู่อันนั้นต้องบอกครูบาอาจารย์มันจะต้องเสียกฎศีลระเบียบศียระเบียบของวัดเสียหลักพระธรรมวินัยแล้วยังไม่แล้วไม่แล้วยังไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาหรือว่าหลักพระธรรมวินัยที่วัดของเราปฏิบัติอันนี้เราก็ต้องผู้ใหญ่ก็ต้องบอกกล่าวเฉียบขาดลงไปเลย ท่านจะเคารพหรือไม่เคารพท่านยังไม่เคารพท่านจะใช้ทิฐิมาเนี่ยท่านหนีออกจากวัดท่านไม่ควรจะอยู่อยู่ไปก็เนี่ยทำให้เสียหายถ้าหว่าท่านไม่สมัครใจใครในมลท่านให้ท่านอยู่ท่านจะศึกก็ศึกสิท่านจะออกไปยังไงก็ออกไปสิถ้าท่านบวชมาที่นี่ท่านก็ต้องศึกท่านไม่ยอมฟังโดยมากมันจะไม่เป็นถึงขนาดนั้นเพราะผู้ใดเข้ามาก็เพื่อใยในการศึกษา เพื่อเรียนรู้จลอลงมาประพฤติปฏิบัติยึดหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางถ้าเป็นพระที่ไม่มีศีลจะแล้วจะมีอะไรจะมีคุณค่าในตัวของเขาในพระองค์นั้นพระไม่มีศีลจะเป็นยังไงคือพระไม่มีฮิลิโอตปะคือพระไม่มีศีลเป็นอรารัจิตาเป็นผู้ไม่มียางอายไม่มีความระอายตอบาปเรียกว่าพระอรารัจี เราจะเป็นพระอรัชชีไหมในครั้งพุทธจักรในครั้งพุทธการพระพรธองค์บอกว่าพระที่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยท่านว่าโมฆะภิกษุเป็นผู้เปล่าประโยชน์โมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่เปล่าประโยชน์โมฆะแปลว่าเป็นผู้เปล่าไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยไม่อยู่ในศีลาจารวัรเราจะจะเป็นพระโมฆะภิกษุโมฆะโมฆะภิกษุละ่ะโมฆะบุรุษละ่ะ ใครๆก็ไม่อยากจะถูกคำประนามคำนั้นของพระพุทธเจ้าเราจะกจะเป็นสากะยะบุตรพุทธชินนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราต้องศึกษาสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องในหลักพระธรรมวินัยแล้วก็ไม่ควรจะทำไม่ควรพูดไม่ควรทําคิดก็ไม่ควรจะคิดอีกต่างหากเพราะเราไม่ได้มามุ่งหวังเพื่ออย่างอื่นมามุ่งหวังเพื่อเชิดชูบูชาจากนั้นปฏิบัติตน ให้เป็นพระที่ดีเพื่อเป็นชริเพื่อเป็นมงคลในขณะที่อยู่เป็นพระเมื่อเราออกเป็นไปเป็นฆราวาสแล้วก็เป็นชริเป็นมงคลสําหรับเรงคิดขึ้นมาเวลาใดเราก็ภาคภูมิใจในจิตในใจของเราเพราะเหตุอะไรเพราะเราอยู่ในกรอบทำคําสอนของพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่บผมบวชทางนี้แต่นะั่นคือแนวทางแนวความคิดที่พวกเราเข้ามาบวชแล้ว เราจะมีแนวความคิดอย่างไรนี่แหละวิธีแนวความคิดของพระจากนั้นก็ลงมือเมื่อศีลดีแล้วเมื่อศีนของเราดีแล้วไม่เป็นที่ตบหนิของหมู่ของเพื่อนอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ไม่เป็นที่ตบหนิกันแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมีตั้งแต่อารมโมโหโกรธาต่อกรารก็ว่าถือปปัต ช, ชา่คือการบวช เป็นการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะการบวชมีกฎมีระเบียบมีวินยัยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของพระแต่ถ้าาจะทํ า, าเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วถือปรปะชาในการบวชแล้วเข้ามายังต่อยวาทะกันทางปากอีกปลอยวาทะกันแสดงอากับกิริยาทางตาทางร่างกายอีก ปล่อยมัดปล่อยมวยออกไปอีกแสดงอาการไม่ครบต่อกันอีกผู้น้อยผู้ใหญ่ออันนี้ไม่ใช่เรื่องการเป็นนักบวชการเป็นนักบวชคือปรปฌาถือการบวชเพื่อเป็นการอยู่ในความสงบการอยู่ด้วยกันมากน้อยอยู่ในความสงบเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะอันนี้ก็คือสิ่งพูดเรื่องสิ่งที่พูดมาทั้งหมดการอยู่การฉันการเป็นอยู่ทุกอย่าง แต่กับกิริยาอาการที่ภิสูุจะต้องอาบัตมีหกอย่างอันนี้คือล้วนแล้วแต่เราอยู่ด้วยกันในทีท่ได้มาพูดเรื่องสมาธิสมาธินึ่ผมเคยพูดมันมีมากมายหลายๆอย่างอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้ฟังให้ศึกษาเวลากลางคืนอย่างที่ผมเล่นแนะนำเอาไว้ ในธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเทศในสถานีวิทยุเราฟังนั่งตั้งใจตั้งใจฟังถ้าฟังหลายครั้งต่อหลายหนผมว่าพวกท่านจะได้มีแนวความคิดในการประพฤติธปฏิบัติธรรมจิตใจของท่านทั้งหลายจะเยือกเย็นจะมีความสุขอย่างลึกๆจากนั้นวิธีการเดินมรรคเดินอย่างไรเพราะศีลของเราก็ดีแล้วอย่างที่ผมได้แนะนําศีลของเรานี่ดีแล้ว ในเมื่อทำสมาธิจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะเหตุใดเพราะเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายองค์ไม่มีการละแคละคายซึ่งกันและกันมีแต่มีความมุ่งหวังมีความมุ่งมั่นไปในแถวเดียวกันจากนั้นก็ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายต่ดิกกรรมฐานอะไรเป็นหลักก็เป็นกรรมฐานที่แท้จริง ดีมีประโยชน์สำหรับเราแต่ถึงยังไงการที่จะภาวนาเนี่ยเสียงเป็นอุปสรรคต่อสมาธิอันนี้ก็ให้ฟังเอาไว้ให้พวกเราฟังเอาไว้เสียงเป็นอุปสรรคต่อสมาธิแล้วการพูดคุยกันไม่รู้จักเวลาเวลาสนทนากันและพูดกันมากเกินไปก็ททำให้จิตใจของเราปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเวลานั่งสมาธิ ก็เราก็จับอารมณ์ที่เราคุยกันนั่นแหะคนนั่นได้อันหนึ่งคนไม่ได้หนึ่งเอามาเพื่อเผอจะเป็นบ้ามานั่งสมาธิยังมานั่งหัวเราะในการนั่งสมาธิอีกต่างหากเพราะส่งมันออกไปข้างน อ, อกขนาดนั้นมันลืมกระทั่งตัวเองถึงขนาดนั้นมันก็มีนะเมราะอะไรเพราะส่งจิตออกไปนอกเอาสัญญาอารมณ์เอามาเข้ามาขณะที่มานั่งสมาธิอันนี้ให้นะมัดระวังอย่าพูดคุยกันจนเกินไป ถ้าพวกเรามุ่งหวังที่ที่จะทําจิตใจให้เป็นสมาธิต้องสํารวมพราะหวังในการเป็นอยู่การคบค้าสมาคมพอประมาณจากนั้นก็วิธีการทําสมาธิเราทํำยังไงอดนอนยังไงพ่อนอาหารยังไงการอดนอนเราจะอดมากน้อยแค่ไหนเราจะอดอย่างไรแต่กลางแต่เราเท่า อ, อดเนี่ยเราก็ต้องอดทั้ง ถ้าเป็นไปได้อดทั้งกลางวันกลางคืนอย่างพระจักคูบาลอันนั้นแบบว่าท่านอดแบบอุกฤ ก, กอดแบบเด็ดเดี่ยวจริงๆไม่ พ, งงม พ, งพิงหลังไม่พิงพื้นเลยตลอดสามเดือนทังหลังไม่ไม่เอ็นพื้นเลยท่านนั่งยืนเดินนั่งในอริยบทสอันนี้เราจะเอาขนาดนั้นหรือเราจะเอากี่วันทดลองดูสิเป็นยังไงแล้ว่าการอดอาหารทดลองดูสิ เอากี่วันแต่ว่าเราจะไปตั้งคำสัตว์เรื่องอดอาหารผมไม่แนะนําไปตั้งคำสัตว์เพราะว่าบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราทําพยายามทําให้เต็มที่แต่าการนั่งภาวนาก็เหมือนกันพยายามนั่งให้นานที่สุดคือว่าการนั่งภาวนาเนี่ยถ้าเราดูและสถานที่ของเราเหมาะสมแล้วอันนั้นเราควรจะนั่งนั่งที่เหมาะสมคืออะไรก็คือไม่มีมดไม่มีอะไรขึ้นมาไต่ เรากันปวกกันมดกันงูกันอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเป็นที่เหมาะสมแล้วอากาศก็เหมาะแล้วตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าจะนั่งในตลอดคืนอย่างลุ่มอันนั้นอธิษฐานได้เรานั่งเลยเลมันจะเจ็บปวดเงือแตกเงา อ, อะไรเอา้าอย่างที่หลวงตาท่านบอกว่าจะขี้ทะักออกไปเราก็พร้อมที่จะซักได้ล้างได้น้ำเรามีถ้ามันเงือแตกก็ามาเอาพร้อมที่จะ ไปซักผ้าได้เป็นรายไปเนอันนี้ใครๆว่ะให้จริงจังให้จริงใจใ น, นการประพฤติปฏิบัติผมว่ามันหลายครั้งต่อหลายหนบางคร้งข่าวนี้มันได้ถึงจะเดืองไงไงมันต้องได้ในระดับหนึ่งได้ความรู้ในระดับหนึ่งว่าเราสู้ข่าวนี้เราสู้ยังไงทําใหม่เราก็จะเห็นช่องเห็นทางแต่พอเราไม่เคยสู้เลยเนี่ย ทําไปเป็นวันๆรอๆแหละแล้วก็จบไปรอ ๆ, ๆแหละมันก็เจาะรอๆไปเรื่อยๆของมันเองมันจะไม่จริงจังเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พกเพื่อนทุกองค์เป็นการทดลองทดสอบดูแหน้าที่การงานอย่างอื่นไม่ควรจะให้มีในพรรษตนี้ควรจะงดถ้าไม่จาเป็นจริงๆอย่าทําเรามาให้เรื่องภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเก่าอย่า ภาวนาไม่เป็นท่าแล้วอย่าไปหาการงานมาทำกกกอกแก่ๆรบกวนหมู่อย่าไปคิดนะถ้าผมเห็นเมื่อไรก็เมื่อนั้นพวกท่านทั้งหลายนะอย่าไปคิดทําอย่างนั้นให้ตัณใจภาวนาเราให้ภาวนาเว้นเสียแต่เอือเอาการงานเป็นบางครั้งอย่ามันลกเกินไปเนี่ยคนมันได้มันตัดซะอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งทําเราทําเป็นการแต่อย่าให้มัน เดือดร้อนคนอื่นจนเกินไปอันนี้แหละอันนี้ก็คือการอยู่หรือว่าการประพฤติธปฏิบัติในพรรษาให้พวกเราเล่งความภาคความเพียรการงานทําไมจจำเป็นจริงเราก็ทิ้งไว้ก่อนมันไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรเพราะวัดของเราพอเป็นพอไปอยู่แล้วเราให้ภาวนาหากำลังให้แก่จิตใจของเรา ถึงร่างกายถึงจะวัดว า, าศาสนาจะรู้หลาโออาขนาดไหนก็เถอะแต่พระในวัดของเราเนี่ยองที่จะนั่งสมาธิไม่เคยจิตสงบเลยทั้งหมดถึงยังไงจะรู้หลาโออาขนาดไหนเราก็ไม่ภาคผูกใจเพราะเหตุไรเพราะว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อให้พระนั่งสมาธิเพื่อให้พระปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสาร มให้มาเวียนไหวตายเกิดในวัดตาสงสารเราสร้างวัดขึ้นมาเพื่อปฏิบัติธรรมหาทางพ้นทุกข์เราไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อความหรูหราโอ้อาแข่งกันสร้างวัดแข่งกันแข่งไปได้แข่งทั้งวันด้านวัตถุถึงสร้างหรูหราขนาดไหนอันนี้ยังทุกขังอัตตาก็คอยในยวัดอยู่คอยเสยนาชนะจุติศาลาเราอยู่ถึงจะสร้างหรูหราขนาดไหนก็เท่านั้นละ่ะ มันมีจุดจบของมันเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยทรัพยากรของพระเลยในพระพุทธศาสนายคือพระอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาาพระอรหันต์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลท่านทําอย่างไรนี่แหละให้พวกเราศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างที่ผมแนะนําบอกกล่าวให้แกหมู่พวกเพื่อนน่ย ให้ั้งใจภาวนานะนั่งภาวนาให้นานที่สุดนะนั่งอยู่ที่อากาศโล่งๆโป่งๆเสร็จแล้วก็อากาศเย็นๆลมพัดผ่านได้แนั่งภาวนาถึงจะร้อนอยังไงเราก็ต้องอดทนขันติคือความอดทนเนี่แหละความอดทนจุดนี้แหละเรามันจะรู้ได้ว่ามันเจ็บปวดยังไงอันนี้ก็คือการเจ็บปวดเพียงแค่นี้หนะเป็นลูกหลานเหลนเ บ, บ, บ, บทนาเท่านั้นเอง แต่เวลาเราใจจะขาดจริงๆมันจะทุกข์ทรมานขนาดไหนนั้นเป็นปู่เป็นทวดเวทนามันจะเข้ามาเหยียบคอเราใจจะขาดมันไม่เป็นอย่างนี้อันนี้เพียงแต่เจ็บปวดเพียงแค่นี้เป็นหลานเหลนของมันเองแต่นั่นเมื่อเราสู้กับหลานเหลนของมันก็ยังสู้กับมันไม่ได้ปูทวดของมันจะเราจะสู้ไหวเหรอเราต้องคิดเพราะนั้นเราต้องฝึกหัดสู้กับหลานเหลน ต่อแตะของเวทนาสะกก่อนในเมื่อเราสู้ชนะได้ต่อไปเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราก็แก่งขึ้นเรื่อยๆพอพน้นในสุดเราก็บอกเวทนาหน้าไหนจุดตัวไหนอมันกแค่ตายเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะมาเหยียบย่ําหัวใจดูแนวความนึกคิดของเราได้เรารู้แล้ววันเพียงแค่ตายร่างกายของเราเพียงแค่นี้ถ้าเราได้ฝึกหัดสู้จริงๆแล้ว มันจะไปในรูปลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนนะการมาปฏิบัติหรือว่าทั้งพระเก่าพระใหม่นยะทดลองให้ฝืนนะให้สู้นะนะให้ภาวนาการพูดการคุยการสนทนาปารบ ก, กันผมก็ไม่ว่าแต่ให้รู้ให้พอประมาณนะอย่าไปพูดคุยกันเสียงขโมงโขงเขงเสียงดังเกินไปอันนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้มาปฏิบัติธรรมขอให้พวกเราตั้งใจ แล้วกับภาวนาก็อย่างที่ผมได้พูดได้กล่าวหลายครั้งหลายหนจะยึดกรรมาฐานอันไหนเป็นหลักภาวนาอันไหนเป็นหลักถ้าว่าต้องการความสงบก็บริกรรมพุทโธพุทโธในเป็นหลักตามประจิตใจของเราเครึกขนองมันไม่ยอมยอมรับแราวก็พิจารณาถึงมรณะนุสติคือความตายร่างกายในตายแน่นะไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะอย่ารุ่มลรงนะ อย่าไปคิดว่าร่างกายนี่ยจะเป็นสวรรค์ที่มาห น, นะจะเป็นท้องทั้งแท่งขึ้นมานะเน่าเปือ่อยตายแน่ๆนะอย่าลุ่มหลงเกินไปนะใจนะอันนี้เราก็ต้องเอาความตายมาทําความเข้าใจกับใจตัวเองทําความเข้าใจกับใจว่าตายแน่นะร่างกายเนะี่ยในเมื่อว่าร่างกายตายแล้วมันก็ต้องหาวิธีการจะทํายังไงจิตใจของเราจะไม่ลุ่มหลงในร่างกายของเรานี่แหละอันนี้ก็คือ เมื่อเราอยากจะให้สมุบริกรรมพุทโธพุทโธแต่ว่าใจของเราออกนอกรูนอกทางเกินไปกระคิดถึงความมรณะภัยคือความตายจากนั้นเราก็พิจารณาถึงพิจารณาอสุภะแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายตั้งแต่เกษาลงมานขาทันตาตะโจดูกระโหลกศีรษะดูกระดูกทกท่อนเนี่ยในวัดของเราก็ยังมีอยู่ที่ทางโรงพยาบาลเขาเอามาให้กระดูกที่ กุติของท่านเฉลิมนะไปดูสิกระเรากระดูกเป็นอย่างนั้นไหมกระดูกของเรา น, ะนี่แหละถ้าเราดูเราจะรู้ได้ว่ากระดูกของเรานเป็นอย่า ง, งานั้นมีกระโหลกมีคอมีแขนมีขามีสี่โค้งมีอะไรทั้งหมดเป็นกระดูกทั้งหมดแต่พวกเรานะี่หลงร่างกระดูกของตนเองเพราะฉะนั้นอย่าหลงนะใจนะเอออีกสักวันหนะึ่งเป็นอย่างโครงกระดูกแน่ๆนะ ไม่เป็นอย่างอื่นนะอันนี้คล้ายๆกับว่าทำความเข้าใจกับใจตนเองในเมื่อเราพิจารณาอย่างนั้นแล้วใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้ใจของเราจะไม่ปุ่งฟุงออกไปข้างนอกแต่เราไม่ได้คิดอย่างนั้นกับมามันอยากจะเที่ยวมันอยากจะเตรมันอยากจะอยู่มันอยากจะกินมันอยากจะร้องเพลงมันจะสนุกสนานมันสนุกสนานไปเพื่ออะไรมันได้อะไรมันมีอะไรมันมีแต่เนี่ยเห็นไหม กระดูกนะเกิดพบหน้าชาติาก็เป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วก็ตาย ก, กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติก็เถอะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็เถอะแต่ผลในสุดเวลาจะตายก็เป็นอย่างนี้ตายนี่จะกระดูกอย่างนี้ทําไมเราจึงมาลุ่มหลงมัวเมาไม่คิดหาทางออกไปคิดหาทางพ้นทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าพระหัสนสาวกท่านบอกกล่าวแนะนําพวกเราอยู่แล้ว ให้ทำสมาธินะให้เดินปัญญานะให้ทำความเข้าใจกับใจตนเองนะพิจารณานะใจนะให้เห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงนะึกจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นใจจะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสโลภโกรธลงใจจะเป็นอิสระเพราะใจไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้ามาสู่จิตใจสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่มาเกาะเกี่ยวท้งจิตใจ เราสลัดออกเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นใจของเราคงเป็นอิสฉาเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจกรุดูปผลจากอาสวะกิเลสนี่แหละสรุปแล้วก็คือเบื้ อ, องต้นก็คือสินการเป็นอยู่ที่ผมพูดทั้งหมดนันคือการเป็นอยู่ด้วยการกดระเบียบการเป็นอยู่จะปราศจากไม่ได้สินและวินัยยังมีอยู่ตราบใด พุทธศาสนาก็ยังอยู่ตราบนั้นถ้าไม่มีศีลและวินยัยทำเหล่านี้จะอยู่ได้อย่างไรอยู่ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะหลักพระธรรมวินัยไม่มีแต่เมื่อหลักพระธรรมทำวินัยมีอยู่แล้วทาที่จะเดินสู่มรรคสู่ผลมันก็ไปด้วยกันศีล ส, สมาธิปัญญามันไปออกไปแนวแถวนั้นจากนั้นเราก็หาทางพ้นทุกข์ได้ ไม่มาเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะสูงสา์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะที่เข้ามาบวดในครั้งนี้คราวนี้ให้เป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจผมมีแต่พยายามแนะนําสั่งสอนลบเล้าให้พวกเรามุ่งมั่นตั้งใจในการภาวนาอย่างน้อย่พวกเราบวชเข้ามาสามเดือนสมาธิเป็นอย่างไรจิตที่สงบเป็นอย่างไรจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งเป็นอย่างไร การให้การอุปจาระอัปปนาสมาธิในสมาธิเป็นอย่างไรผมอยากจะให้พวกท่านทั้งหลายได้สัมผัสในจิตใจสงบจากนั้นก็นํามาพิจารณาเปิดใจของเราให้พิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลมันเป็นจริงอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตามที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวไหมหรือตามที่จริงอย่างที่ผมบอกให้พวกท่านทั้งหลายฟังไหมพวกท่านทั้งหลายยอมรับไหม ที่ผมพูดให้พวกท่านทั้งหลายฟังหรือไม่จริงเนี่ยพวกท่านทั้งหลายทบทวนทั้งพระทำคําสอนด้วยทั้งทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยทั้งทำคําสอนที่ผมแนะนําไปด้วยมันจริงไหมอย่างที่ผมได้พูดผมคิดว่าผมเอาความจริงออกมาให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จะนําไปเป็นแนวความคิดประปรุงกายวาจาใจของพวกท่าน แล้วก็พวกท่านก็ได้สมบัติขึ้นมาในใจของพวกท่านเองผมก็ไม่ได้ได้อะไรจากพวกท่านเพราะเมื่อพวกท่านเป็นพระอริยะบุคคลขึ้นมาพวกท่านก็ได้เป็นพระอริยะบุคคลเป็นตัวของท่านเองถ้าท่านเป็นผู้จิตสงบท่านก็ได้รับความสุขในจานจิตสงบของพวกท่านเองมีแต่ครูบาอาจารย์มีแต่บอกขนทางชี้แนวทางให้ฝังท่านเองพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้บอกขนทางท่านเองพวกเราเป็นผู้เดินนะ เพราะนั้นพ ว, พวกเราไม่เดินพราะพุทธเจ้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันพวพวกท่านไม่เดินพราะพระุทธเจ้าให้เดินไปทางมรรคทางผลตัวเองกลับไปเดินไปสู่อเวจีมหานรกอย่างพระเทวทัตพระพุทธเจ้าเดินสั่งสอนให้คนเดินไปสู่มรรคสู่ผลเป็นพระอริยะบุคคลมากมายกายกองแต่บางกลุ่มก็กลับเดินสวนทางไปลงนรกอเวจีพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราได้ยินทำคําสอน ของพระพุทธศาสนาทำคำสอนของพระพุทธเจา้าพระแม่ครูบาอาจารย์พี่พวกเราเข้ามาศึกษาให้ฟังให้ศึกษาให้ไตร่ตรองด้วยเหตุได้ผลในหลักของพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรอภิเนห า, อานอภิเนหานก็คือว่าในหลักของพุทธศาสนาคนสมัยนั้นเขาชอบอภิเนหานมาก บางคนก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แสดงเดชบ่อยๆเพื่อคนจะได้นับถือเรื่อมใส่อย่างเนี้ยแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าแสดงอภินิหารไปองค์ที่แสดงก็เป็นที่ยอมรับของคู่คนองค์ที่แสดงไม่ได้ก็ไม่มีอันจะอยู่จะกินเพราะองค์ที่องค์ที่แสดงฤทธิ์ได้ตายไปซะเลยก็หมดเลยเทไงพุทธศาสนาหมดเพราะมันองค์อื่นเขาไม่นับถือเรื่อมใส เพราะนั้นองค์ใดก็ตามแสดงฤทธเดชได้แสดงฤทธให้ฤทธเดช ท, ท่านปรับอบัตทุกกฎนะอ่ยอันนี้คือภวินัยในครั้งพุทธการแต่ถึงยังไงคนทั้งหลายก็ยังชอบเรียกว่าอิทธิปฏิหารอเทินาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารในหลักของพุทธศาสนาบอกปฏิหารสาอิทธิปฏิหารคือแสดงฤทธได้หอเหินเดินฟ้าได้ ดำดินบินบนได้อันนี้คือพวกโลกีเขาก็ทําได้นะพวกฤษีสีไพร์เนี่ยเขาก็ทําได้เป็นบางครั้งเป็นบางยุกอันนี้ว่าอิทธิปฏิหารอาเทศฐาปฏิหารดักใจทายใจได้คนนี้เขาคิดเรื่องอะไรมองหน้าก็รู้เลยว่าเขาคิดเรื่องอะไรอันนี้เลยว่าอาเทศนานปฏิหารอนุษาชนีปฏิหารคือ แนะนำสั่งสอนอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจอันนี้เป็นอย่างนี้นะเหตุผลเป็นอย่างนี้นะอันนี้เหตุแห่งทุกข์อันนี้เหตุแททนนห่แงสุขอันนี้ถ้าปฏิบัติแล้วไปสู่มรรคผลนิพพานนะอันนี้ถ้าภาวนาอย่างนี้ปฏิบัติตนอย่างนี้จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นนะอันนี้คืออนุาสาจรีปฏิหารอนุาสาจนีก็คือบอกกล่าวแนะนำในทางที่ถูกต้องนะแต่พระพุทธเจ้าท่านเชิดชู หรือว่าท่านยกประเด็นหรือว่าท่านเห็นด้วยว่าอภินิหารสามพ่อเนี่ยน่ะอิทธิปฏิหา ร, หร อ, อเทินฐาปฏิหารเป็นน้องของอนุสาสนีปฏิหารอนุสาสนีปฏิหารนี่เป็นเลิศกว่าปฏิหารทั้งสองอย่างนั้นนี่แหละคือสรุปแล้วก็คือให้พวกเราให้ฟังให้เคารพหรือว่าให้ปฏิบัติตามเมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว นำมาคิดมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลเพราะท่านผมจึงว่าให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายฟังเนอะให้ศึกษานะถ้าพวกเราท่านทั้งหลายฟังแล้วในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะเกิดสติปัญญาอย่างเช่ว่าสุตตมยะปัญญาจินตามัจปัญญาภาวนามยะปัญญาหรืออันิสงส์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมอมฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังก็จะได้ฟังสิ่งนั้น ไม่เข้าใจชัดก็จะกลายเป็นเขาฉะนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสอันนี้สูงแห่งการฟังธรรมห้าหยักแลก็คนที่จะเกิดสติปัญญาขึ้นมาได้ก็ะตรงสุดตรมมยปัญญาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอิจตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ขวนทบทวนและก็ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการ ภาวนาทำจิตใจให้สงบหรือเรียกว่าอภินิหารอภินิหารสามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อิทธิปฏิหารพอเหินเดินฟ้าได้อเทศนาปฏิหารดักใจทายใจได้อนุสาสนีปฏิหารแปลว่าอาศัยการได้ยินได้ฟังจากเขตและผลที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนสรุปแล้วก็คือต้องอาศัยการได้ยินได้ฟัง จึงจะเกิดสติเกิดปัญญาได้ต้องใยในการศรึกษาพอสมควรแต่เมื่อใยในการศรึกษาแล้วพอได้ยินได้ฟังแล้วเหมือนกันเรามีแผนที่แล้วเราศึกษาแผนที่ดีแล้วเราก็พยายามเดินตามปฏิบัติตนเลเดินตามแผนที่นะั้นไม่ใช่ว่าได้แผนที่มาแล้วกอดแผนที่ไว้อยู่อย่างนั้นเราไม่เดินตามแผนที่มันจะเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เพราะนั้นต้องเดินตามไปดิเดินมักเดินยังไงสมาธิเราเดินยังไงปัญญาเราเดินยังไงอันนั้นต้องศึกษาอเลย อย่างที่ผมได้พูดให้ฟังเดินปัญญาเดินยังไงก็แยกแยะดูร่างกายสังขารเกษาโรมานขาทันจาแยกแยะดูร่างกายดูตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมกายวาจาใจให้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงลิ้นลิ้มรสร่างกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นยังไงให้สำรวมกายวาจาใจใจที่มาที่เป็นสิงที่มากระทบทางใจ เป็นส่วนดีเป็นส่วนที่ไม่ดีใจของเราก็เพิ่มวันไหวไวกวแว่งอย่างไรนี่แหละให้พวกเราศึกษาทั้งหมดอันนี้เป็นว่าการปฏิบัติถูกต้องตามธรรมคำสอนนะวันนี้ผมได้พูดแนวทางให้แก่วพวกเราท่านทั้งหลายนเพื่อเป็นการศึกษานะพูดตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ศีลและวินันในการเป็นอยู่วิธี พวกเราจะต้องอาบัติมีกี่อย่างจากนั้นก็เรื่องวินัยการอยู่การฉันให้ศึกษาพระวินไตพระพราวินัยไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นของพระพุทธเป็นของพระพุทธเจ้าทุกองค์ถาราได้อ่านได้ศึกษาแล้วก็นํามาวิเคราะห์นํามาปรึกษาปารกันเพราะว่าธรรมวินัยมันไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดนะไม่ใช่ของผมนะไม่ใช่ขององค์ใดองค์หนึ่งเป็นของพวกเราทุกองค์ พรพวกเราเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธทเจ้าจากนั้นพวกเรามีศีลและวินัยแล้วการประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็จะไปในทางที่ดีไปในทางที่ถูกต้องการประพฤติปฏิบัติให้เอาจริงเอาจังนั่งภาวนานั่งยังไงอย่างที่ทานั่งแล้วไม่เอาจริงเอาจังก็อย่างว่าเร า, เ, ราเลาะแหลๆไปเรื่อยหาโกหาเยนไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งภาวนาเอาจริงเอาจัง ทั้งอกตั้งใจประพุทธปฏิบัติจริงจังแล้วผลแห่งการประพุทธปฏิบัติของพวกเราก็จะเป็นที่พอใจของพวกเรานะนะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสงควรกับการเวลาขอดุติต่อนให้ไปเอานั่งสมาธิทน